สวัสดีครับพี่น้องครับหมดแรงแล้วเหลอครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรานมัสการพระเจ้าร่วมกันแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะฝนตกทําให้อยากได้ผ้าห่มนอนใช่ไหมครับแต่เราขอบคุณพระเจ้านะครับะในในวันนี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่สองของเดือน ตุลาคมเป็นเดือนแห่งการเป็ น, ปนพยานและการรับใช้นะครับพี่น้องอได้สังเกตในโบสถ์มีอะไรเปลี่ยนไหมครับมีท่านใดส่วนใหญ่มก็จะเปลี่ยนก็จะอยู่ด้านหน้า Okay. อาจารย์นาริบูล น, นะครับผู้คอนาริบุลชี้ว่าผ้าปูธ ร, รมาสเปลี่ยนนะครับก็หลายบางหลายๆคนก็ถามว่าทําไมเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับสีขาวมันก็ดีอยู่นะครับจริงแล้วผ้าปูธรมาศหรือว่าผ้าปูโต๊ะหรือว่าบางทีบางโบสถ์เขาจะมีถึงม่านในโบสถ์ด้วยนะครับก็จะเปลี่ยนใช้สีตามเทศกาลมีคริสจักรหลายๆคริสจักรที่จะเปลี่ยนสีตามเทศกาลอย่างเช่นคริสจักร Catholic, คกคริสต์จักรในสภาคริสต์จักรในประเทศไทยหรือคริสต์จักรลูเทแลนนะครับคริสต์จักรเพรสเบอเทรียนะฮะที่จะยึดถือเทศกาลของคริสต์จักรคริสต์จักรก็จะมีเทศกาลใหญ่สามเทศกาลนะครับตามพระลักษณะของพระเจ้าตามพระภาคของพระเจ้าคือพระบิดาพระบุตรพระวิะ ญ, ญญาณบริสุทธินะ์สีเขียวนะครับ เทศกาลของพิจักเริ่มต้นที่เทศกาลพระบิดาในเดือนเริ่มต้นเดือนตุลาคมนะครับก็จะมีวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นวันมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์พิจักทั่วโลกนะครับในวันอาทิตย์แรกนั้นก็จะมีพิธีมหาสนิทถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันในพระเจ้านะฮะแม้ว่าเวลานมัสการจะต่างกันก็นกทั้งวันละครับสีเขียวเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงพระบิดาหเห็นถึงการ พระภู้านะครับแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ6ถึง7สัปดาห์นะครับแล้วก็จะเป็นเทศกาลพระบุตรเทศกาลพระบุตรนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสองสาช่วงนะครับช่วงแรกก็เป็นช่วงเตรียมรับเสด็จหรือว่าแอดวานซ์เทศกาลพระบุตรก็จะเริ่มต้นเป็นวันอาทิตย์ที่ใกล้วันที่28พฤศจิกายนที่สุดนะครับก็เป็นวันเริ่มต้นปีนี้จะเป็นสัปดาห์ที่4ของเดือนพฤศจิกายน ก็จะเป็นเตรียมรับเสด็จเป็น4วันอาทิตย์ก่อนวันที่25ธันวาคมนะครับพอวันที่25ธันวาคมปุ๊บก็จะเป็นช่วงของอคริสต์มาสหรือคริสต์สมภพนะฮะผ้าปูธรรมาติเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับไปจนถึงวันวันคริสต์มาสนะครับก่อนวันคริสต์มาสมาก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวสีแห่งความบริสุทธิ์ของการบังเกิดของพระเยซูกิต ครับก็ใช้เวลาอีกประมาณสองสัปดาห์แล้วก็จะเป็นช่วงของวันคริสต์มาสนั้นก็จะยาวไปจนถึงอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงพระคริสต์สำแดงองค์ยาวไปจนถึงวันอาทิตยเ์เราเรียกว่าวันอาทิตย์หลังก่อนวันพุธรับเท่านะครับก็จะประมาณต้นต้นเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ6 สัปดาห์นะครับ6วันอาทิตย์แล้วก็จะเป็นช่วงของเทศกาลเป็นช่วงของการเข้าสู่ธรรมยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ทางตาลนะครับก็จะเป็น6สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์และจนถึงวันที่พระเยซูกิตสิ้นพระชนเ น, เนเป็นและเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับยาวไปอีกประมาณ6สัปดาห์นะครับ และหลังจากนั้นก็จะเป็นเทศกาลพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เริ่มต้นจากวันเพนเดคอสคราวนี้ก็ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับนี่ก็ครบปีนั้นสีของเทศกาลต่างๆก็จะเปลี่ยนไปสีของพระปูธามาสก็จะเปลี่ยนไปตามเทศกาลนะฮะวันนี้เราอยู่ในช่วงของการรับใช้การเป็นพยานเราได้ยินคําว่าการกระทํา ดังกว่าคำพูดนะครับและทั้งสองอย่างนั้นก็ต้องดำเนินไปคู่กันเพราะว่าชนะของพระเจ้าที่นำมาแบ่งปันพี่น้องในบายวันนี้นะครับในพระธรรมโคลอสีบทที่สามข้อยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับมีอยู่บนจอนะครับเราอ่านพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์ท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเน็จท่านปรนนิบัติประคิดอยู่นะครับงนั้นในพระชนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับบอกกับเราว่าไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตามให้เราทำเหมือนกระทาถวายองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับมนุษย์เราหรือว่าคนเรานั้นปกติชอบที่จะปรนิบัติผู้หลักผู้ใหญ่ ชอบที่จะปรนิบัติเจ้านายนะครับและการที่พระคริสตเจ้าหรือว่าพระคัมภีได้ให้หลักการให้กับเราตรงนี้เพื่อว่าเราจะปรนิบัติมนุษย์นะครับเหมือนกับที่ทำอย่างดีนะครับกับทุกทุกคนเหมือนกับที่เราทํากับผู้ใหญ่เหมือนกับเราทํากับองค์พระผู้เป็นเจ้าปกติในครอบครัวเราก็จะมักจะ ดูแลและปรนนิบัติซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าคนที่มีตำแหน่งที่สูงในและก็จากที่ทำงานเมื่อมาอยู่ในบ้านบางทีหน้าที่ก็จะติดตามทำให้บุคลิกของเรานั้นเปลี่ยนนะฮะแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนบางคนก็เปลี่ยนลืมตัวไปว่า ที่นี่ไม่ใช่ที่ทำงานที่นี่คือบ้านที่เราจะดูแลซึ่งกันและกันมีนักเทศผู้เลิกใช้นะครับศิริบาลผู้หญิงคนหนึ่งนะครับขณะที่เขาตื่นมาในเช้าวันอาทิตย์เขาควรจะเตรียมเทศนะครับควรจะเฝ้าเดียวนะครับแต่ขณะเดียวกันสามีก็ยังไม่ตื่นเขาคิดถึงว่าเขาจะต้องทำอาหารจริงๆแล้วเขาอยากจะทาแซนด์วิช เล็กๆหรือว่าแฮมไข่วางไว้ที่โต๊ะ อ, อาหารให้กับสามีแต่ปรากฏว่าเขานึกขึ้นได้ว่าสามีชอบสลัดผักและสลัดผลไม้มันเรื่องใหญ่ครับที่ต้องมาล้างผักหั่นผักปอกผลไม้เป็นชิ้นเล็กๆเสียเวลาในใจก็คิดว่าจะต้องไปเตรียมเทศจะต้องไปอธิษฐานเตรียมสอน นะครับแต่ขณะที่เขากำลังหั่นสลัดเตรียมให้กับสามีนั่นเองในใจก็คิดว่าก็นึกขึ้นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วการปรนิบัติสามีก็คือการปรนิบัติพระเจ้าด้วยเขาจึงทําอย่างมีความสุขนะฮะในครอบครัวเรานั้นเราดูแลซึ่งกันและกันในความผูกพันในการปกป้องห่วงใยซึ่งกันและกัน ครับผมมีคลิปคลิปหนึ่งปกติเราที่เราได้ยินหรือ ร, รู้กันมาคือว่างูนี่มักจะกินหนูใช่ไหมครับมีคลิปนี้งูไปฉกลูกหนูครับแล้วก็แม่หนูไม่ยอมพี่น้องอาจจะเคยเห็นนะครับแล้วเขาก็ตามตามไปกัดงูจนงูปล่อยลูกนะครับดูคลิปด้วยกันนะครับ มองเกือบไม่เห็นนะฮะไฟมันเล็กมากลูกหนูอยู่ที่ปากงูนะฮะ บรรยายต่อนะครับแล้วแ ม, แม่หนูนะครับก็กลับมาวิ่งมาที่จุดที่ลูกหนูถูกปล่อยนะครับแล้วก็คาบลูกของตัวเองเข้าในพงหญ้าไปนะครับการปกป้องการดูแลนะครับถ้าแม่หนูหนีนะครับลูกก็คงจะตายเพราะงูกัด แต่ทีนี้แม่ยอมนะครับต่อสู้นะครับแล้วก็จัดกัดกัดกัดกัดงูจนงูปล่อยลูกของมันเราก็เห็นว่าแท้ที่จริงความการดูแลการห่วงใยเหล่านี้มันเริ่มต้นที่ความผูกพันเริ่มต้นด้วยความรักและการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันครบับายวันนี้อยากจะแบ่งปันในสี่สิ่งด้วยกันในการที่เราจะรับใช้พระเจ้า และการที่เราถือว่าเป็นการรับใช้มนุษย์นั้นประการแรกนะครับเราทั้งหลายนั้นเมื่อเราเชื่อในพระเจ้านั้นเรารับความรอดเพื่อจะรับใช้ในกลาเทียบที่5ข้อ1 3บ4ได้บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพอย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดเพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิน้น สรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการรับใช้มีความหมายว่าการเป็นทาสของกันและกันยัภาษากรีกให้ความหมายที่หนักนะครับเป็นความหมายที่และเป็นความหมายที่จะต้องทำหน้าที่เพราะว่าการเป็นทาสคือเขาไม่มีอิสระ ไม่มีเสรีภาพในการที่จะคิดหรือว่าไม่จะทำอะไรตามใจตนเองแต่การรับใช้กันด้วยความรักนั่นหมายความว่าโดยความรักนั้นเขาจะรับใช้เขาจะถือว่าตัวเองเป็นทาสของคนอื่นและจะทำให้กับผู้อื่นในการรับใช้ซึ่งกันและกันนั้นมันทำนำมาถึงความชื่นชมยินดีในความยินดี ในความการหนุนใจเพราะว่าความรักเพราะว่าการรับใช้ด้วยความรักนั้นเราทำไม่ได้ทำโดยการเห็นแก่ตัวโดยการแต่เป็นการที่เราเสียสละเราให้เราทำให้เกิดประโยชน์แก่กันและกันนะครับเป็นการในพระธรรมกระเทียในบทที่หอีกนะครับ ก็กล่าวถึงเรื่องของการรับใช้นั้นว่าเป็นการรับภาระของกันและกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับภาระของคนที่มีกำลังอ่อนแอกว่าหลายๆลายครั้งเราอาจจะพบว่าคนที่มีกำลังน้อยหรือว่าคนที่มีความผิดมักจะถูกละเลยมีครูคนหนึ่งที่สอนคณิตศาสตร์ ในโซเชียลมีเดียเนี่ยครับเราคงจะเคยได้เห็นมีการแชร์ว่าครูคนหนึ่งเขียนสูตรคณิตศาสตร์บนกระดานดำขณะที่เธอหันหน้าเข้ากระดานดำเกาหนึ่งเกเสองสสามเท่าไหร่ครับยี่สิบ็ดสสนะฮะไปจนถึงครบ12นะครับ แต่เมื่อหันหน้ามาหานนักเรียนนักเรียนกระกลมหน้าหัวเราะคิกคอกคิกคอกคิกคอกนะครับเขาหัวเราะอะไรครับสูตรคูณที่คุณครูเขียนครับเก้าสองเก้าคูณสองได้สิบคุณครูกาลังบอกว่าที่ครูตั้งใจที่ครูเขียนนี้ครูไม่ได้คูณผิดแต่ครูตั้งใจจะบอกพวกเธอว่าคนเรานั้น มักจะสนใจในสิ่งที่คนอื่นผิดดูสิทั้งหมดทั้งสุดคูนนี้สิบสองตัวเนี้ครูตั้งใจเขียนผิดแค่ตัวเดียวแต่พวกเธอก็สนใจในตัวเดียวที่ครูเขียนผิดแล้วอีกสิบเอ็ดตัวทำไมไม่สนใจก็นักเรียนก็ได้ข้อคิดเพื่อจะได้มองในสิ่งที่ดีสิ่งที่บวกและมองข้าม ในสิ่งที่บกคร่องแต่ว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บกคร่องในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกันเราสามารถที่จะมีวิธีบอกเพื่อเขาจะได้รับการปรับปรุงเพื่อเขาจะพัฒนานะครับแท้ที่จริงแล้วการที่เราเป็นคนที่จะรับใช้ซึ่งกันและกันนั้นพระคัมภีร์ก็ได้บอกว่าให้เราทุกคนถือว่าเราในฐานะที่เราเป็น บุตรของพระเจ้านั้นเราเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ที่จะดูแลซึ่งกันและกันในพระคัมภีร์ที่อ่านไปเมื่อสักครู่นั้นก็ได้บอกว่าการที่เรารักเพื่อนบ้านนั้นก็ได้ทำให้ธรรมบัญญัติได้ครบถ้วนเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนพี่น้องครับในพระคัมภีร์เดิมนั้นบอกรายละเอียดมากมายในการรักเพื่อนบ้าน อย่างเป็นต้นว่าในพระธรรมลีวินิติบทที่19บเ้นั่นบอกว่าเมื่อเข า, าเกี่ยวข้าวในนาอย่ากเกี่ยวจนหมดตามขอบนาอย่ากเกี่ยวเพื่อว่าคนยากจนจะได้มาเกี่ยวในข้าวที่เหลือหรือขณะที่เข า, าเก็บข้าวที่เกี่ยวนั้นมีรวงข้าวที่หล่นจากฟ่อนข้าวไปมัดฟ่อนข้าวไปนั้นก็อย่ากเก็บเพื่อว่าคนยากจน ที่ไม่มีที่นาก็จะสามารถมาเก็บเอาส่วนที่หล่นนั้นไปได้นั่นเป็นการให้การสําแดงออกถึงความรักและเมื่อเรารับใช้ด้วยท่าทีเมื่อเราดูแลผู้อื่นด้วยท่าทีที่รักที่ห่วงใยนะครับพระเจ้าทรงพอพระทยัยและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เราทําเช่นนั้นในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบห้า ปีซูกิเจ้าได้ตรัสว่าการที่เรากลับทํากับคนเล็กน้อยคนหนึ่งคนใดก็เหมือนกับทากับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ชายคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่มีฐานะดีและเขาได้รับหมายกำหนดการว่าจะมีเจ้าชายมาเสด็จเยี่ยม ที่บ้านของเขาเพื่อดูแลเพื่อมาดูกิจการของเขาเมื่อถึงเวลาที่นัดนั้นเวลาที่กำหนดนั้นปรากฏว่าเขาได้เตรียมบ้านทุกอย่างไว้พร้อมเช้าไม่มีคนมาสายถนนเงียบไม่มีแม้กระทั่งผู้แทนที่จะมา คนที่มาก็คือว่ามีขอทานคนหนึ่งมาเห็นว่าบ้านนั้นเตรียมที่จะจัดงานเลี้ยงเขาก็ไปขออาหารแต่ชายคนนี้ไม่ได้ปฏิเสธที่จะให้อาหารกับชายคนขอทานนี้แล้วขอทานได้รับอาหารแล้วเขาก็ไปตกบายก็ไม่มี วิแววว่าจะมีใครจะเสด็จมามีหญิงไม้ที่แต่ง ต, ตัวสอมซ่อมาขอเสื้อผ้าใช้คนนี้ก็ได้ให้เสื้อผ้าแล้วจนมืดคำ่ำมีคนเร่ร่อนมาอีกและยิ่งไม่เพียงแต่เสื้อผ้าสกปรกข้าวไม่ได้กินแต่คนเร่ร่อนนี้ยังขอ ที่นอนอีกต่างหากนะครับชายคนนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาก็ยินดีที่จะทำให้ตะวันเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นนั้นขณะที่เขาตื่นขึ้นมาเพื่อจะดูว่าชายคนนี้อยู่ดีสบายอยู่ชายเล่ร่อนนั้นอยู่ดีสบายไหม mm hmm. เขาก็ไม่พบว่าชายคนนั้นนอนอีกเดือแต่ที่เปล่าเพราะว่าเขาลุกแล้วก็ ไปแต่เช้ามืดจนสายมีตัวแทนของเจ้าชายนำหนังสือมาบอกว่าเจ้าชายเชิญท่านไปที่ราชวังเพื่อจะเลี้ยงฉลองเขาบอกว่าเขาไม่สมควรที่จะไปเพราะว่าเขายังรอที่จะเจ้าชายจะเสด็จและเขาก็ไม่ได้รับทําอะไร สำหรับถวายเจ้าชายเลยนะครับตัวผู้แทนก็ของพระองค์ได้บอกกับเขาว่าสิ่งที่ท่านทำเมื่อวานนั้นก็เหมือนกับได้กระทำกับเจ้าชายแล้วครับบางครั้งทูตสวรรค์อาจจะมาเยี่ยมพี่น้องนะครับในรูปแบบของคนขอทานคนที่ไร้ที่พึ่งคนไร้ที่อยู่อาศัยคนที่หวิวโหยคนเร่าร้อนนะครับ หรือคนที่ไม่น่ารักคนทีอ่อาจจะทำให้เราเดือดร้อนแต่ให้เราลองดูนะครับว่าบางครั้งพระเจ้าอาจจะส่งคนแบบนี้มาเพื่อทดสอบเราว่าเราจะดูแลเขาอย่างไรนะครับสิ่งที่สองครับเมื่อเรารับใช้พระกัมภีพระเจ้าได้ให้ แนวทางว่ายิ่งรับใช้นั้นยิ่งสูงขึ้นหรือว่าเราสามารถที่จะยิ่งใหญ่เพราะการรับใช้ในมาละโกะบทที่10นะครับข้อ4 3่สถึงสีให้เราอ่านด้วยกันนะครับเนในจอนะครับพระเยซูจึงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าท่านทั้งหลายอยู่รู้แล้วว่าผู้ที่นับว่าเป็นผู้ครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเหมือนเจ้าเหนือเขา และผู้ใหญ่จะใช้อำนาจบังคับแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใครเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นปรนิบัติท่านทั้งหลายและถ้าใดเป็นใครจะเป็นต้นเป็นเอกผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของคนทั้งปวงเพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่าน ให้เป็นข้าไทยคนเป็นอันมากครับสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ อ, อันสลับกันนิดนิดนะครับา ก, การที่เป็นคนรับใช้นะครับที่ได้บอกเมื่อสักครู่นั้นว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่เพื่อจะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแบบอย่างในการกระทาประโยชน์ให้กับคนอื่น ในการเสียสละพระองค์ยอมสละฐานะความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ลงมาบาังเกิดเป็นมนุษย์เดินดินเหมือนกับเราทั้งหลายหิวเห น, นื่อยถูกปฏิเสธถูกย่อเย้ยถูกล้อเลียนถูกต้องที่จะทำงานหนักแต่พระองค์ไม่เคยที่จะย่อท้อเพื่อ ให้พระราชกิจหรือพระประสงค์ของพระเจ้านั้นสำเร็จย้อนอ บ, บอดหลับอดนอนถ้าเรานึกถึงภาพในคืนนั้นที่เมื่อพระองค์เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานทั้งวันและลงทะเลลงเรือไปท่ามกลางทะเลกำลังหลับอยู่ท้ายเรือพายุโหมกระหน่ำพัดมาสาวกก็กรีกราดมาหาพระองค์ อาจารย์ท่านจะมัวหลับอยู่ทําไมไม่ห่วงใยเราหรือนะครับโดนตําหนิอีกตั้งหากนะครับลูกศิษย์ก็มาตําหนิแล้วพระองค์ก็ลุกขึ้นห้ามลมพระองเหนื่อยครับเราเห็นว่าพระองค์เหนื่อยแต่พระองค์ก็ยินดีที่จะรับใช้พวกเขาและทําให้เขาเห็นถึงตัวอย่างของการรับใช้พระองค์ไม่มีที่นอน แม้กระทั่งนกนะครับในอากาศก็กยังมีรังแต่พระองค์ไม่ไม่มีที่จะวางศีรษะพระคริสต์เจ้ายอมสละแม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เองความสะดวกสบายทั้งสิ้นของพระองค์นั้นเพื่อว่าพระองค์จะได้นำเราทั้งหลายนั้ น, นคืนดีการกับพระเจ้านำรับกับเรากลับมาสู่สภาพของความเป็นบุตรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าความบาปนั้นได้ทำให้มนุษย์นั้นแยกออกจากพระเจ้าฐานะของการเป็นบุตรของพระเจ้านั้นถูกตัดขาดออกไปแต่โดยพระเยซูคริสต์เจ้านั้นฐานะของการเป็นบุตรของพระเจ้านั้นก็ได้กลับคืนมาโดยการที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ลงมาในโลกนี้และซึ่งพระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อรับการปลนิบัติพระองค์ลงมาเพื่อปรนิบัติเขานะครับ และสละแม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เพื่อไทยมนุษย์ไทยทุกคนให้กลับคืนดีกันกันกบพระเจ้าและหลายๆครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราทำงานแทบจะเหมือนกับเป็นทาสเหมือนกับเป็นขี้ค่าแต่พี่น้องครับ พระกัมพีบอกว่าพร ะ, พระเจ้าปรารถนาที่จะเห็นเรานั้นเป็นเครื่องบูชาของพระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ดำเนินอยู่ในแต่ละวันนั้นด้วยการปลดิบัตินะครับไม่ได้เป็นเครื่องบูชาที่วางอยู่บนแท่นและเผาผมชอบบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับวันอังคารที่ผ่านมาเราก็ร้องในกลุ่มเซลนะครับที่ราชเทเวี ครับพอมาถึงตรงประโยคที่บอกว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งผมคิดถึงปลาที่ถูกทอดทิ้งพระเจ้าไม่เคยปล่อยให้เราถูกไหม้เกรียมนะฮะเวลาเราทอดปลาหรือเจียวไข่ทอดไข่ทิ้งไว้นมันจะไหม้ใช่ไหมครับพระเจ้าไม่เคยให้ ปล่อยให้เราถูกทอดทิ้งจนไหม้เกลี่ยมจนเราทนไม่ได้จนเราถูกเผาจนเกลี่ยมแบบนั้นแต่พระเจ้าทรงห่วงใยเรานั่นแหละครับเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พระเจ้าถึงส่งพระเยซูกิตเจ้าลงมาเพื่อช่วยเรานะฮะหลายครั้งเราอาจจะต้องถูกคำวิพากวิจาร์ถูกปฏิเสธถูกมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ ไม่มีตัวตนไปไหนไม่มี ร, รู้เหมือนกับไม่มีใครรู้จักไม่มีใครต้องการพี่น้องครับเรียสูผู้เดียวที่ไม่เคยทอดทิ้งเราพระองค์ทรงห่วงใยเรานั่นเองพระองค์จึงได้รับการยกชูให้สูงที่สุด และประทับและเบื้องขวาของพระเจ้าและพระนามของโปรงนั้นเป็นพระนามเดียวที่พระเจ้าทรงอนุอนญาตให้มีในโลกเพื่อจะให้เราทั้งหลายนั้นได้รับความรอดและเป็นพระนามที่ทุกคนจะคุกเข่าลงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์พระคริสต์เจ้าทรงเป็นผู้ที่รับใช้ตั้งแต่สิ่งที่เล็กน้อยที่สุดจนถึง การสิ้นพระชนวนไม้กางเกงนั้นพระเจ้าจึงยกพระองค์ขึ้นสูงเราพบว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าได้รับตำแหน่งสูงนะครับต่างก็เป็นพนที่เคยผ่านตำแหน่งที่เล็กน้อยมาทั้งนั้นผมเคยเป็นพยานว่าปัจจุบันนั้นที่ผมยืนอยู่หลังธรรมาสเทศนา ผมไม่เคยลืมพระคุณของพระเจ้าตอน 6, ผมเป็นอนุชนผมล้างถ้วยล้างจานอยู่ที่โบสถ์เสมอแล้วก็วันเสาร์แล้วก็มักอยู่ที่โบสถ์จัดโบสถ์กวาดโบสถ์ทำความสะอาดโบสถ์เพื่อเตรียมวันอาทิตย์วันอาทิตย์หลังจากทานข้าวเที่ยงร่วมกันอตอนเช้าบางวันก็นำนมัสการสอนระวีน้องๆ้อ ง, องเด็กๆทอทานข้าวเสร็จก็เป็นทอกระทะ ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ก็จัดเตรียมมาไว้ให้เป็นทอเทศนะครับประการที่สฮะการเป็นผู้รับใช้นั้นเราต้องล้างเท้าซึ่งกันแลรกันในยอห์นบทที่13ข้อ13ถึง17จผมจะ อ, อ่านข้อท้ายๆนะครับพระเยซูตรัสว่าเพราะว่าเราวางแบบอย่างให้แก่ท่านแล้วเพื่อให้ท่าน ทำเหมือนดังที่เรากระทาแก่ท่านด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านว่าบ่าวจะเป็นใหญ่ว่ากว่านายไม่ได้ทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปก็หาไม่ได้เมื่อรู้ดังนี้แล้วท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุขการรับใช้อย่างที่พระคริสต์เจ้าทำนั้นพระองค์ทําในสิ่งที่เล็กน้อยและในยอห์นบทที่สิบสานี้นะครับบันทึกถึงการล้างเท้า ที่พระคริสตเจ้าล้างเท้าให้กับสาวกแท้ที่จริงแล้วอันนี้เป็นธรรมเนียมของชาวยิวที่ว่าทาสนะครับจะเป็นผู้ที่ล้างเท้าให้กับแขกให้กับผู้หรือล้างเท้าให้กับเจ้าของบ้านแม้ว่าคนที่แขกที่มาบ้านหรือว่าเจ้าของบ้านนั้นจะมีรองเท้าใส่แล้วก็ตามแต่ว่าถนนคิดดูนะครับว่า ถนนถ้าเป็นกรุงเทพเมื่อสัก30ปีที่แล้วหลายๆซอยยังเป็นเป็นถนนดินแดงอัดอยู่นะครับแต่เมื่อสอง0ันปีที่แล้วล่ะครับถนนไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็เป็นดินมีแต่ดินกับหญ้าและโคลนท่านั้นฝุ่นนะฮะนั้นแต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทํานั้นคือเมื่อพระองค์รับประทานอาหารกับสาวกของพระองค์นั้นพระองค์เอาผ้าคาดเอวเอากะลามัง เอาอ่างน้ำมาเอาชามน้ำมาน้มาแล้วก็คุกเข่าลงล้างเท้าให้กับสาวกแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทำสิ่งที่พระองค์ทำนั้นมีความหมายอะไรครับเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้มีส่วนของกันและกันสาวกจะได้เข้าส่วนกันร่วมกันกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเราเองก็จะได้เข้าส่วนกับพระองค์ การที่เรารับใช้ซึ่งกันและกันนั้นคือการที่เรายอมรับซึ่งกันและกันและยิ่งกว่านั้นองค์พระคริสต์เจ้าก็ยังให้ความหมายกับเราที่เราจะให้อภัยนะครับหลายๆคนก็นำความหมายนี้มาเรื่องของการให้อภัยเรื่องของการล้างความผิดให้แก่กันและกัน เป็นการคืนดีให้แก่กันและกันพี่น้องครับบางสิ่งบางสิ่งบางอย่างและหลายๆครั้งความผิดของคนอื่นที่เขาทำต่อเรานั้นมันยากที่จะให้อภัยนะครับหลายๆคนบอกว่าเ ว, เวลาผ่านไปก็ลืมได้เองครับยิ่งอยากลืมยิ่งอะไรครับยิ่งจำนะครับและยิ่งจำก็ยิ่งเจ็บ การที่คนอื่นทํากับเรานะครับแต่เมื่อเราตัดสินใจว่าให้อภัยแล้วบอกกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์ขอให้อภัยกับเขาขอบคุณพระองค์ที่ทรงให้อภัยกับข้าพระองค์ขอพระคุณของพระองค์ขอความรักของพระองค์นำพาข้าพระองค์ที่จะรักเขาเริ่มต้นความรักกับเขา เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ครับผมเชื่อแน่ว่าภูเขาทั้งลูกนะครับมันจะถูกยกออกจากอกของเราไปนั่นคือสิ่งที่พระคริสตเจ้าทรงกระทำวางไว้เป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับคือการที่เราจะเข้าส่วนของกันและกันและสิ่งสุดท้ายครับเมื่อเรารับใช้นั้นให้เรารับใช้ให้ผู้อื่นรู้สึกดีด้วยครับ หลายๆลายครั้งเรารับใช้เราพูดแต่มันกระทบคนอื่นทำให้คนอื่นเจ็บปวดทำให้คนอื่นรู้สึกแย่แต่พระวจนะของพระเจ้านะครับพระธรรมโรมบทที่14ข้อ19ได้บอกว่าให้ฉะนั้นให้เรามุ่งประพฤติในสิ่งที่สิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุขแก่กันและกัน และทําให้เกิดความเจริญแก่กันและกันแม่ชีเทเลซาได้บอกว่าการเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการไม่มีใครรักไม่มีใครห่วงใยเป็นคนที่โลกลืมมันเป็นความอดอยากหิวโหยเป็นความยากจนค้นแค้นเสียยิ่งกว่าการไม่มีอะไรจะกินมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวด การที่ทำให้ถูกไร้ค่าเราอย่าลืมคนที่เล็กน้อยอย่าลืมคนที่มีส่วนร่วมรับใช้กับเราเราไม่สามารถที่จะเดินหรือว่าเราไม่สามารถที่จะเติบโตหรือว่าไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองนะครับผู้ชายนะครับที่ประสบความสำเร็จ มักจะมีอะไรครับอยู่เบื้องหลังครับมีภรรยาหรือว่ามีสตรีที่เข้มแข็งอยู่เบื้องหลังนะครับนั้นผู้ชายที่ประสบความสาเร็จนั้นจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากภรรยาและครอบครัวนะครับเราเริ่มต้นอย่างไรดีครับเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มนะครับ มีคนบอกว่าการยิ้มให้กับคนอื่นไม่ใช่เจอปุ๊บยิ้มปั๊บนะครับเราสามารถเราควรจะมองสักครู่หนึ่งนะครับแล้วค่อยยิ้มนะนั่นเป็นการแสดงให้ออกว่าเรากำลังให้ความสนใจแก่เขานะครับแต่ไม่ได้แบบ เราก็ไม่ควรยิ้มส่งเดชไปเรื่อยนะครับอยู่คนเดียวก็ยิ้มคนเดียวนี้เขายิ้มกับอะไรครับโทรศัพท์ใช่ไหมครับเวลาเราเล่นโทรศัพท์เนี่ยยิ้มนะครับบางทีเหมือนเหมือนกับเขาบอกว่าคนไม่อยากพูดนะครับบางทีเราก็รู้นะครับคนบ้าใช่ไหมครับไปไหนก็ยิ้มไปเรื่อยแต่การยิ้มให้กับคนอื่น นะครับมันกำลังแสดงออกว่าเรากำลังสนใจเขานะครับทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความสนใจแท้ที่จริงแล้วค น, คนอื่นเขาไม่ได้สนใจว่าเราเก่งแค่ไหนเราอยู่ฐานะอะไรเรียนสูงเรียนน้อย เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้น้อยแต่เขาสนใจว่าเราสนใจให้ความสนใจเขามากแค่ไหนต่างหากนะครับเมื่อเราสนใจให้ความสนใจกับผู้อื่นยิ้มมั่นก็เป็นการให้กำลังใจทำให้คนอื่นนั้นได้รับการหนุนใจนะครับเราก็สามารถเริ่มต้นรับใช้อย่างง่ายๆนะครับในสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้และไม่ต้องลงทุนอะไรเลยด้วยซ้นะครับ คิดในแง่บวกครับมองในแง่ดีเราฝึกชมคนอื่นวันละสามคนขณะที่เมื่อสักครู่ที่อาจา ร, รย์เก๋ก็ส่งไปที่คุณอิมานูเอลนะครับผมผมก็คิดถึงตัวอย่างของออในเรื่องนี้นะครับ เขาบอกว่าลองบอกว่าคุณรู้สึกประทับใจชื่อของคุณ น, นะครับถ้าผมจะบอกว่าผมรู้สึกประทับใจชื่อของคุณอิมานุเอลชื่อนี้มีความหมายดีนคนฟังเขาก็จะรู้สึกดีนะครับถ้าลูกของเรา สอบตกคณิตศาสตร์เราจะตอบเขาว่ายังไงครับระหว่างบอกว่า mm hmm. เห็นไหมพ่อบอกแล้วให้อ่านหนังสือไม่ยอมอ่านกับคําบอกคําที่บอกว่าประโยคที่บอกว่ามันก็ยากทางนั้นแหละลูกใครใครเขาก็ใครเเขาใครๆ ข, ก, รๆขก็ต้องอ่านหนังสือบางทีเราก็ต้องทบทวนให้เยอะขึ้น สองประโยคนี้ต่างกันประโยกหลังอาจจะทำให้เด็กนั้นฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งประโยกแรกถ้าคนที่รับพลังในแง่ลบก็อาจจะฮึดสู้ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะารับใช้ซึ่งกันและกัน สนใจซึ่งกันและกันหนุนใจซึ่งกันและกันอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันและเพราะเรารู้ว่าเราเองเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในพระกายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้หลากหลายวิธีบางคนอาจจะต้อนรับบางคนอาจจะมีอธิยาศัยที่ดีนะครับช่วยหยิบสิ่งของ ช่วยแนะนำชี้นำทางนะครับบางคนก็ใช้ความสามารถในด้านดนตรี เ, เล่นดนตรีในการน้ำมัสการหรื อ, อหลายหลายคน ท, ที่มีความรู้ในพระคัมภีรก็อยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นเป็นพยานหรือเพียงแค่เราเข้ากลุ่มนะครับก็เป็นการหนุนใจแก่กันและกัน ผมมีคลิปสุดท้ายนะครับเพราะว่ามีการทดสอบในสังคมปรากฏว่าคนที่ช่วยเหลือคนอื่นกลายเป็นคนที่คนที่สังคมอาจจะไม่ต้องการไม่ใช่คนที่แต่งตัวดีแต่เป็นขอทาน เราชมคลิปนี้แล้วก็คิดตามไปด้วยกันนะครับว่าเราจะเป็นคนไหนดี hey, sir. Hi, can you please help Please, it's just I just need please. Please. Okay. All right, thanks. I need somebody else to help me out. It just takes like two seconds to pick up keys. Huh? Please. Oh shit. Okay, so can you help me please? My legs and back are killing me. What are you doing? I'm picking these up. Put my hands. Can you just can you just hand them to me with your hands, please? My legs are killing me. w h a t do you think I am? Please, man. Just please, my please. It's no, just i a k i n g It's gonna take two seconds, man. Sorry, I can't. I'm not picking those up. All right, all right, I'll call somebody else. Thank you. Wow. Did you get that, dude? That was so bitchy of him, bro. Fuck. Oh sh. Thank you very much, sir. Hey, sir. You know what's funny? I dropped my keys in front of a somebody with a tuxedo on too, and you know they were rich. And it's funny how you have nothing like at all, and the people who have something. And I, yeah, weird. huh? Weird, right? And you know what's funny? It's I asked him to help me pick it up, and he tried to pick it up with his feet. o well, e he's all lazy about it. Like yeah, and I and I said I was like, hey, sir, can you can you help me out? Can you just pick it? Up? It's gonna take two seconds. h e pick it up and get from the ground. He handed it to me, right? And he just. He he said he's not going to touch my keys. Seriously, that means a lot to me, man. Hey, okay, I want to help you out, man. No worries, man. No worries, man. Here. Here you go, man. Thank you so much. Have a great day, okay? Really appreciate it. That really means a lot to me too, man. Thank you, man. Have a great day, okay? Thank you. Thank you. ก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับที่เราจะ รับใช้ซึ่งกันและกันชายคนแรกปฏิเสธแต่ชายคนที่สองพยายามที่จะใช้เท้าหยิบให้เขี่ยให้แต่ขอทานนั้นหยิบให้ทันทีโดยที่ไม่ต้องร้องขอขอพระเจ้าช่วยเราในการที่จะเรารับใช้ซึ่งกันและกันการที่เรารับใช้ มนุษย์ก็คือการที่เรารับใช้พระเจ้านั่นเองเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวของเราขอบพระเจ้าไอพอครับ